ได้ช่วงคุยธรรมะในวันนี้เราก็หรือว่าก็ขอให้มีความสุขขอให้มี ถ้าเรามาลองพิจารณาดูถึงสิ่งที่เป็นพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขความสุขนี่คืออะไรนั้น พูดไปแล้วเค้าจะทําใจให้เป็นสมาธิ สุนักอะไรต่างๆเราให้สุนัขเนี่ยเราก็ยังได้ว่าเราสร้างบุญขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเราให้กับบุคคลด้วยว่าเป็น อ่ะของเนี่ยเป็นสิ่งของเป็นการให้ทานนะอันนี้ก็ได้บุญ นะเช่นให้สุราให้ของที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ชื่อว่าได้บุญๆนะพูดคําที่สุภาพนะมีการ สมมุติว่าจะยกแก้วขึ้นมาดื่มเนี่ยเราอื้อฉันไม่ดื่มหรอกอันเนี้ยบุญเกิดคือการที่ นะคุณมีบุญในใจคุณมีความสุขแล้วคนที่ ในอีกประการหนึ่งในเรื่องช่วงเทศกาลความสุขเนี่ยอ่าที่เราจริงๆมันก็เป็นนิมิตหมายดีๆอย่างเงี้ยอวยพรให้เราประสบความสุขความ นะพอได้รับนิมิตหมายที่ดีเนี่ยอะไรทําให้เรารู้สึกว่าเออในช่วงเวลาเนี้ยแม้อะไรๆมันส่ง เป็นเพราะว่านิมิตหมายที่มันเกิดขึ้นแล้วทําไมทําไม 1 เปมกราคมนะเค้าก็เลยทําเครื่องหมายพวกนี้ขึ้นมามีการจริงๆแล้วปี โลกเนี่ยนะมันหมุนรอบดวงอาทิตย์มาครบตำแหน่งเดิมเมื่อ 365 วันที่แล้วแล้วมันมาโดนตำแหน่งนี้อีกทีนึงแล้วโลกหมุน 2 รอบ 2 ปีจริงๆมันไม่ได้ว่าคือ 1 คืน 1 แล้ว นะแค่อ่ากลางวันกลางคืนสลับกันไปสลับกันมานะรอบโลกอย่างเงี้ยนะหมุนไปหมุนไปครบรอบนึงก็เป็นเดือนนึงหมุนไปก็ก็ นะก็ฤดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะเป็นฤดู 1 ฤดู 1 เปลี่ยนไปก็เป็นปี 1 เท่านั้นเองแต่เพราะ จริงๆแล้วมันคือแค่กระแสความเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าเราจะไปยึด นะเอาเช้ากลางวันเย็นเลยก็ได้อ้าววัน 3 ครั้งหรือยิ่งดีก็ไปนะเราจะได้มีนิมิตหมายอันดีตลอด นะ 3 อย่างนี้มีสุจริตเกิดขึ้นที่ไหนดีตรงไหนตรงนั้นเนี่ย 31 หรือว่าต้องเช้าวัน 1 ตี 2 ไปวัดไปอะไรก็ต่อให้มัน ใช่มั้ยมีความยินดีอะไรบ้างก็ตามกระแสโลกแต่ว่าในทางธรรมะแล้วโดยหลักพุทธวจนะที่พระเจ้าได้ๆเนี่ยเอ่อจิต แล้วพอเราเห็นตามที่มันจริงเราจะไม่ได้ไปยึดถือมากว่าโอ้ต้องเฉลออย่างนี้ต้องได้และเพราะมันแค่เปลี่ยนแปลงมันเป็นกระแสความ <นะ>, ภาวมีปีติมีสุขพวกนี้เราจะรู้สึกว่าอะไรต่างๆที่มันเดินเรามาเจอเรามาโดนเราเราไปสัมผัสรู้สึกเนี่ยมันก็จะมีค่าน้อยลงนั่นหมาย เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วทุกท่านทําได้ณตลอดเวลาไม่ได้ต้องพึ่ง น่ะไปอยู่ที่ไหนตามโรงแรมหรือบ้านหรือบ้านเพื่อนหรือว่าไปตามภูเขารีสอร์ทอะไรต่างๆแล้วเราก็จิตด้วยจิตที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นจิตที่สบายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธเจ้าแนะ เป็นความสุขที่ไม่ได้ต้องให้ใครมาพูดอย่างไรกับเราเราถึงจะมีความสุขเป็นความสุขที่เราไม่ต้องให้ใครมาทําอะไรกับ ที่สุดไม่ได้หาที่สุดไม่ได้ในช่วงที่เราส่งความสุขเนี่ยนะจริงๆเราไม่ต้องคน นะเป็นจิตที่เป็นจิตของผู้ใหญ่นะเป็นจิตของนะ 3 โลกนี้แหละนะผู้เป็นใหญ่เหนือสังสารวัฏมีจิตที่เป็นเอ่อมี มันมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะเรามี แม้มันสกปรกเหลือเกินคนก็เยอะการจราจรติดขัดรู้สึกมี และปล้นไม่ว่าสิ่งภายนอกจะเป็นอย่างไรนะก็จะไว้นะทรงความสุขด้วยศีลทรงความสุขด้วยการภาวนานะทรงความ นะเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีมีศีล